ทีนี้ก็เลื่อนไปเป็นทางวจีกรรมนะวจีกรรมนี้บุญบาปทางปากนี้วันๆหนึง่งอมมากมายมหาศาลเลยนะขยับลิ้นทีไรก็เป็นได้เรื่องเลยนะได้บุญได้บาปอยู่ขนาดนั้นเลยวจีกรรมนี้มีอยู่4อย่างด้วยกัน 1. คือนะมุสาวาตคือพูดเท็จ2องพูสวาจาพูดคำหยาบ 3. า พุสวาจาพูดปิสุนาวะไม่ใช่ขอไปมุสาวาตคือโกหกใช่ไหมปิสุนาวาจาสอเสียดสามพุทสวาจาคือพูดคำหยาบแล้วก็สสัมผัสปลาปากก็คือสมัยก่อนเขาแปลว่าสำรากพูดสำรากสมัยใหม่แปลว่าเพอเจอือสำรากเรานึกไม่ออกมันเป็นยังไงนะทีในพระไตรปิฎกบางแห่งเขาแปลว่าสาราบ ก็คือพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อก็คือพูดเรื่องไม่มีประโยชน์ไม่อิงอัดไม่อิงทำไม่อิงวินยัยพวกคาพูดประเภทนี้แหละเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อทีนี้มาว่าด้วยมุสาวาทเลยมุสาวาทก็คือความพยายามทางวาจาวจีประโยคะหรือความพยายามทางกายอันทาลายประโยชน์ของบุคคลผู้มุ่งกล่าวให้ขัดแย้งกันชื่อว่ามุสาวานะ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 นะพวกคำสมน ว, วนเขาว่าปั้นน้ําเงินเป็นตัวนะคล้ายลักษณะนั้นแหละลักษณะของมุสาวาตก็เจตนาอันให้ตั้งขึ้นด้วยความพยายามทางกายหรือทางวาจาที่มุ่งจะ ก, กล่าวให้คลาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นของบุคคลอื่นโดยประสงค์จะ ก, กล่าวให้คลาดเคลื่อนชื่อว่ามุสาวาตนะคําพูดที่ประสงค์ให้ให้รู้ไม่ตามความเป็นจริงอ่ะ อีกนัยยะหนึ่งเรื่องอันไม่เป็นจริงไม่ใช่แท้ชื่อว่ามุสาคือเท็ต น, น่ะนะที่มูสาก็คือเท็จการให้บุคคลรู้เรื่องไม่จริงไม่แท้นั้นโดยภาวะว่าจริงว่าแท้เรียกว่ า, นะ า, ว, า, ว, าวาทะมูสาวาดวาดวาทะตัวหลังก็คือคําพูดนั่นเองมุสาก็คือเท็จนะพูดให้เขารู้ในเรื่องที่ไม่จริงอ่ะว่าโดยลักษณะ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 ไม่รู้หรอกแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรารู้ะนะแล้ก็ทําเป็นใช้ให้เขาคิดว่าเรารู้อย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นลักษณะของมุสาวาทด้วยนะเวลาเขาอย่างเช่นในวินัยเนี่ยก็บอกว่าภิสูดใดนะที่มีอบัตลมีที่มีอบัอบติดตัวอยู่นะให้แสดงเปิดเผยอบัติที่มีอยู่ถ้าไม่เปิดเผยอบัติที่มีอยู่จะเกิดมุสาวาท น, น, นั่งใช้อย่างเงี้ยไม่พูดไม่บอกเนี่ยเป็นนหะม เป็นอีกข้อนึงแต่เขาเรียกว่าเป็นสัมปชาญมุสาวาททุกกฎเป็นอบัติทุกกฎที่เกิดจากมุสาวาทจากการไม่ไม่แสดงออกอันถ้ารักษาศีลดีเนี่ยศีนไม่ใช่ว่าไม่พูดอย่างเดียวนะไม่พูดเท็จอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นลักษณะของผู้ที่พูดคําสัตย์คําจริงนะพูดคําสัตย์คําจริงนั่นเองพูดมีประโยชน์ทีนี้ถ้าหากว่ามุสาวาทไปแล้วอ่ะมีโทษอย่างไร เชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะประโยชน์ที่ผู้พูดทําลายประโยชน์นั้นน้อยมีโทษมากเพราะทําลายประโยชน์มากคือพูดให้คนฟังเนี่ยเสียประโยชน์มากก็โทษมากอ่ะพูดให้เขาเสียประโยชน์น้อยก็โทษน้อยอีกนัยยะหนึ่งมุสาวาทของครหอขัดทั้งหลายที่เป็นไปโดยนายเมียที่ว่าไม่มีดังนี้เพราะประสงค์จะไม่ให้วัตถุที่มีอยู่ของตนชื่อว่ามีโทษน้อยเวลาเขาไมา่ยืมสตังอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีแลอกเนี่ยอันเนี้ถามว่าจริงไหม จริงๆมันก็มีแต่ว่าไม่อยากให้อ่ะอันนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยไม่ใช่ไม่มีโทษนะนั่นแหละมุสาวาทที่ตนเป็นพยานกล่าวเพื่อทำลายประโยชน์ชื่อว่ามีโทษมากจะไหมคิดว่าให้เราไปยืนยันเป็นพยานเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งๆที่มันไม่จริงอ่ะแต่เราไปเป็นโจทย์เป็นพยานเป็นอะไรเขาเนี่ยลักษณะเนียมีโทษมากนั่นแหละแต่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 บางทีก็หลอกลูกค้าซะจนก็บอกโอต้นทุนมันเท่านั้นเท่านั้นลดไม่ได้อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องโกหกอย่างนั้นก็ได้มีพ่อค้าบางคนนะซึ่งเขารักษาศีลเขาบอกว่าเขาบอกว่าเรื่องต้นทุนเขาไม่ถามกันหรอกเขาว่าไงก็ตอบก็บอกตรงๆไปอย่างนี้แหละไม่ถามกันหรอกเรื่องต้นทุนนั่นแหละหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็บอกขายไม่ได้ก็บอกขายไม่ได้ก็แค่นั้นเองครัไม่ได้เตาซีอะไรจนเกินไปหรอก แล้วตามกันนี่ขายไม่ได้เพราะแคนั้นบางทีโอ้โหบางแม่ค้าเงนก็ภาลานาถ้หยาดเยิม้มหยดย้อยแตโอ้โหต้นทุนเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตันน้ํำ จ, จนเป็นตัวเลยอ่ะมันก็บางทีนะบางทีลูกค้านั้นเขาก็รู้ด้วยนะว่าไอ้ น, นี่มันแหกตาหนินั่นแหละของก็ขายไม่ได้ด้วยศีลก็เสียอีกอนะไอเสียคนไม่ซื้อของก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่ามุสาวาที่พูดออกไปนั้นนเนี่ยนะ เสียทั้งโลกนี้ด้วยนะเครดิตในโลกนี้ก็เสียไปแล้วก็เสียในโลกหน้าด้วยนะไปที่ไหนก็จะถูกคนปั้นน้ําเป็นตัวให้ฟังเรื่อยอะ่ะทั้งที่ไม่จริงท่านหน่อยส่วนมุสาวาทของบรรพชีตคือนักบวชเนี่ยนะที่เป็นไปโดยในปุรณะกะถาว่าน้ํามันในบ้านวันนี้เห็นทีจะไหลไปเหมือนแม่น้ําโดยประสงค์จะหัวเราะกันเล่น เพราะน้ำมันหรือเนอยใสยเพียงเล็กน้อยชื่อว่าโทษน้อยก็บอกว่าพระสมัยก่อนเนี่ยเย็นๆจะอุ้มบาตรไปบินถบาตรน้ำมันหรือบินถบาตรเนยใสยหรือน้ำผึ้งคือถ้าอุ้มบาตรตอนเย็นเนี่ยรู้แล้วว่ามาหาเภสัตห้าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอุ้มบาตตอนเช้าถือว่ามาหาอาหารเหมือนกันทีนี้พอไปบินอ่ะมันไม่ได้อ่ะหรือมันได้มันนิดเดียวอ่ะก็บอกว่าท่านท่านไปบินถบาตรน้ำมันได้ไหมหรือบินถ้บาตรเนยได้ไหม ในบ้านเนี่ยเหมือนกับน้ำน้ำมันจะท่วมหมู่บ้านหมดแล้ว <c oughs> แปล ว, ว่าพูดแบบขำๆเนี่ยนะนะสนกุกสนกไม่ได้แต่ก็จะพูดให้มันขำๆไปอย่างนั้นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นมุสาวาทที่มีโทษไม่มากนะแต่ไม่ใช่ไม่มีโทษนะนั่นแหละแต่มุสาวาทของบรรพชิตผู้กล่าวโดยนายเมียที่ว่าไม่เห็นเลยว่าเห็นดังนี้ชื่อว่ามีโทษมากไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่า ได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้เนี่ยนะ <B illy> พวกนี้มีโทษมากการทําชั่วในเพราะการทําลายส่งให้แตกแยกกันด้วยมุสาวาทถึงขั้นมุสาวาทมีโทษมากนะก็คือการผิดศีลข้อทําสังฆเภทนั่นเองมุสาวาทเนี่ยบาปมากนะสังฆเพศเนี่ยมีโทษมากจริงๆอันปากเนี่ยแล้วแต่จะใช้นะใช้ให้มันเป็นบุญก็ได้เป็นบาป ก, ก็ได้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 คำพูดที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยนะก็มีอยู่8ดวงเราก็มาจําแนกประเภทอีกโลภะประเภทไหนใช่ไหมโลภะประเภทอสังขาริกหรือสสังขาริกเนี่ยเราก็แยกแยะได้แล้วจะศึกษาเรื่องเรื่องวิปัสสนาต่อไปก็ไม่ยากนะักถ้าเราเข้าใจเรื่องศึกษาเรื่องการใช้วาจาจริงๆเลยนะสติปัฏฐานหรือว่าการเจริญวิปัสสนายาตะปริญญาพิจารณาเรื่องเสียงจะไม่ยากจนเกินไป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 ถ้าเข้าใจเรื่องวาจาอย่างดีก็เข้าใจเรื่องวิปัสนาต่อไปไม่ยากนักใช่ไหมเพราะว่าคำพูดนั้นอะสมุดฐานของคำพูดก็คือจิตคำพูดก็คือเสียงเรียนประมาต ธ, ธรรมมาจะรู้ว่าเสียงมีรูปกี่รูปนะแค่เก้ารูปเองใช่ไหมนะถ้าพูดใกล้ใก ล, ใก ล, ใกล้ตัวเนี่ยนะเสียงมันก็กระแทกใช่ไหมกระแทกผิวหนังก่นนะ สมมติว่าพูดใกล้ๆเหมือนกับเอามือวางใกล้ๆใช่ไหมแล้วเราก็พูดออกมาเสียงเนี่ยมันก็กระทบผิวหนังด้วยอามปากนะคำสมนวนอารมปากกระทบอันคําพูดที่พูดออกไปนั้นก็มีโพธารมณ์ด้วยนะบางคนนี่ก็พูดจะมีกลิ่นปากเลยไงเรียกว่ามีคันธารมณ์ด้วยแต่คําพูดเนี่ยมีสีด้วยนะถ้าเอาอะไรมาส่องดูนะถ้า ถ้าพูดในช่วงที่มันมีไอยน้ำอากาศเย็นๆมากนะพูดนี่จะมีสีออกมาด้วย <c oughs> พูดเน็ตมีไอออกมานั้นถ้าศึกษาอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ยากแล้วเนาะถ้าเข้าใจเรื่องความรู้เรื่องขันท่าอริยตนะก็พิจารณาลงไปตรงนั้นต่อไปอีกก็สามารถที่จะวิจัยหรือเรื่องของอริยศัก์ต่อไปได้ไม่ยากนะักการคพูดที่เป็นไปกับโลภะนั้นก็ขณะที่พูดเป็น ทุกขสัตว์นะแต่ว่าไอโลภะที่เกิดเป็นไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อพบต่อไปโลภะเพื่อเกิดในพบต่อไปอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์แต่ขณะที่พูดใช้เฉยขณะนั้นเนี่ยเป็นเป็นทุกขสัตว์คือโลภะเนี่ยนะเป็นทั้งปริญญาธรรมและก็เป็นทั้งปหาตปรธรรมเป็นทั้งธรรมะที่ควรกําหนดรู้ด้วยนะกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมะที่ควรละด้วย มสาวาหรือการพูดเท็จนั้นนะเราก็มาจับดูว่าวันถ้าเราพูดนั้นเท็จหรือไม่ก็เอาองค์ประกอบ4อย่างมาจับดู1เรื่องไม่จริง2คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน3ความพยายามด้วยเกิดจากความคิดนั้นแล้วก็4คนอื่นรู้เนื้อความนั้นนะทางกายทางวาจาก็ได้จริงอยู่แม้การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นทราบว่าเป็นองค์ประกอบ ข้อหนึ่งเพราะแม้เมื่อทำประโยคะหรือประโยคอะนะกล่าวโดยประสงค์จะพูดให้ผิดเมื่อผู้อื่นไม่เข้าใจเนื้อความนั้นการพูดให้ผิดนั้นก็ไม่สำเร็จประสงค์ก็คื อ, อถามว่าเขาต้องเชื่อไหมคือถ้าเราพูดโกหกปับ๊บเขาฟังรู้เรื่องเลยนะเขาเชื่อไม่เชื่อก็ตามก็เป็นมุสาวาสแหละแต่ถ้าเขาพูดแล้วเราจะโกหกเขาอะแต่เขาฟังไม่ออกหรอกคือ เราจะคิดจะปั้นน้ำให้เป็นตัวนะแต่เขาคิดตามเราไม่ถูกอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นมุสาวาตนะไม่ล่วงกัรมบทส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามุสาวาตมีองค์ประกอบสาคืออภูตวจันนังพูดไม่จริงต่อไปก็คิดจะพูดให้ผิดและก็สการให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้น อันองประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือคนฟังเข้าใจเนื้อความนั้น่ะเป็นเป็นประมาณถ้าบุคคลอื่นพิจาจรณาแล้วจึงรู้ความหมายนั้นเพราะรู้ได้ช้าเจตนาที่เป็นเหตุให้กิริยาตั้งขึ้นย่อมเกี่ยวเนื่องกับ ม, มุสาวาตกรรมในชั่วขณะนั้นเองเพราะเจตนาที่เป็นเหตุให้ตกลงใจเป็นไปแล้วเขาบอกว่าประโยค ประโยคก็คือวิธีพูดอ่ะวิธีโกหกอ่ะนะมีอย่างเดียวคือสาหติกะประโยคก็คือพูดด้วยตนเองนะเท่านั้นหรือว่าทำด้วยตนเองโมสาวาดนั้นพึงทราบโดยการกระทำกิริยาของผู้กล่าวให้คลาดเคลื่อนโดยกายหรือของเนื่องด้วยกาย้วยกายก็คือการกระทำทางกายเนื่องด้วยกายก็เช่นการขีดเขียนเป็นต้นด้วยวาจาหรือด้วยวาจาถ้าบุคคลอื่นรู้เนื้อความนั้นด้วยกิริยานั้น เจตนาอันตั้งขึ้นด้วยกิริยานี้ย่อมผูกพันโดยกรรมที่เป็นมุสาวาทในขณะนั้นทีเดียวนั่นแหละก็คือถ้าเข้าฟังเข้าใจปั๊บก็เป็นมุสาวาททันทีเลยอันหนึ่งเมื่อบุคคลสั่งว่าเจ้าจงกล่าวแก่บุคคลนี้ดังนี้ก็ดีเมื่อเขียนหนังสือทิ้งไปข้างหน้าก็ดีเมื่อเขียนติดไว้ที่ข้างฝาหรือข้างฝาเรือนเป็นต้นโดยประสงค์ว่าบุคคลนี้พึงทราบอย่างนี้ก็ดี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 ก็ย่อมสมควรในมูสาวาดนี้แต่เพราะไม่มีมาในอัตถกาถาทั้งหลายจึงควรพิจารณาก่อนแล้วถือเอา mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในอัตถกถาส่วนใหญ่ที่ยอมรับก็คือยอมรับว่ามูสาวาทนั้นทำด้วยตัวเองเท่านั้นนะแต่ว่าท่านก็พูดถึงว่าสั่งคนอื่นหรือว่าทำถาวรประโยคเป็นต้นน่ะก็ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าอัตถกถาไม่ไม่กล่าวถึง เพราะฉะนั้นให้ถือเอาตรงที่ว่าโกหกด้วยตนเองเป็นเป็นหลักส่วนที่เหลือก็ให้พิจารณาเอานั่นก็คือนี่ก็เป็นลักษณะการขยายในลักษณะคำภีต์ต่างนั่นเองนะซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ไม่สนใจในการค้นคว้าคำพีก็ไม่เป็นไรเอาองค์ข้างบนเนี่ยเป็นประมาณต่อไปนะโดยอารมณ์ของมูสาวาตมีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้าง เช่นโกหกเรื่องคนเป็นต้นก็เรียกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์นะหรือมีสังขารสังขารก็คือสีเสียงกลิ่นรสโพภธภาพะเป็นต้นนั่นเองเรียกว่ามีสังขารเป็นอารมณ์นะเรียมีบัญญัติเป็นอารมณ์หรือมีประมาทเป็นอารมณ์ก็ได้เวลาที่มุสาวาตประมาทได้แก่อะไรบ้างประมาทคือจิตเจตสิกรูปนะอะไรที่ไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนั่นแหละไม่ใช่ประมาทนะ คือนิพานด้วยนะไม่ใช่จิตเจตสิกรูปนิพานนั่นแหละชื่อว่าไม่ไม่ใช่ปรมตัตธรรมเวทนาขณะมุสาวาตมีสมอย่างคือทุกขเวทนาแสดงว่ามุสาวาต ด, ด้วยโทสะก็ได้ใช่ไหมสุขเวทนามุสาวาต ด, ด้วยโลภะที่เป็นโสมนัสนะหรือว่าอุเบกขาเวทนามุสาวาต ด, ด้วยอุเบกขาเวทนา เพราะฉะนั้นขณะที่มุสาวาทเนี่ยเป็นได้เวทนาทั้ง3อย่างคือทั้งสุขทุกข์และอุเบกขานะความรู้สึกในขณะที่โกหกอ่ะโดยมูลมูลแห่งมุสาวาทมี2อย่างก็คือด้วยอำนาจโทสะกับโมหะหรือว่าโลภะกับโมหะนั่นแหละเรียกว่ามีสองก็คือ2ในลักษณะพูดแบบคู่ะนะ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 เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วเป็นโลภะโทสะไปแล้วโดยกรรมนี้ตัวมุสาวาทเป็นวจีกรรมโดยผลน่ผลของมุสาวาทก็ทำให้เกิดในอบายอบายมีกี่อย่างสีอย่างนะนรกเปรตอสุรกายและศา์เตระชานบางคนเนี่ยโกหกไปเกิดเป็นเปรตเลยก็มีเยอะแยะไปนต่อไปนะและถึงสุขติก็ให้ผลไม่น่าปรานะนานาช น, น, น, น, นิด ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอะ่ะก็ยังให้ผลอย่างนะขนาดมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วผลของมูสาวาสก็ก็ยังให้ผลอยู่เช่นหลายคนมาบอกเอ๊ะเขามานัดเป็นต้นก็มาหลอกเรื่อยอะ่ะถูกหลอกเรื่อยอะ่ะลักษณะนี้แหละเป็นผลที่มาในประวัติการทาั้งๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วผลของกรรมเหล่านั้นก็ยังให้ผลนั่นแหละมาหลอกมานัดคิดว่าจนไม่เชื่อบางคนนี่ก็บอกว่าถ้าใครมานัดเลยนะ เชื่อท้กอย่างเลยถ้าไม่เห็นก่อนนี้จะไม่เชื่อเลยนัดกันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นองงนันะเขาเรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าความไม่จริงซะจนเบื่อแล้วนะลักษณะนั้นมันบางคนเนี่ยถูกหลอกมาจนชินอ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปเที่ยวหลอกคนอื่นด้วยทําเหตุใหม่ด้วยนะรับกรรมเก่าด้วยทําเหตุใหม่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเวรหรือว่ากรรมเนี่ยมันทั้งใหม่ทั้งเก่านะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเมื่อไหรนะ่เนาะจะถึงที่สุดแห่งกรรมสักทีเมื่อไหร่นาะ นะอรหัตตะมัายานอรหัตตมัายานนี่มีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจัยบอกท่านเอาปัจจัยไหนแบบนั้นอต้องถามใหม่ใช่ไหมอรหัตตะมัคมีอะไรเป็นปัจจัยอ่ะบอกปัจจัยไหนแบบนั้นปัจจัยมีดั้งเก้าชาติอ่ะถ้าอรัมมนาปัจจัยของอรหันต์ก็นิพพานอย่างเงี้ยทีนี้อโดยอุปนิสัยปัจจัยอ่ะ